บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้กล่าวมาถึงเรื่องของโลกโดยลำดับซึ่งพระพุทธเจ้ า, าทรงจับแนกโลกเอาไว้โดยนิยะต่างๆหมายความว่าสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นมาแล้วจะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา ดังนั้นก็รวมสรุปไปด้วยคํำบรรลกซึงข้อนี้ในชั้นของการปฏิบัติธรรมะในภาพ ร, มรวมๆที่ท่านแบ่งเอาไว้เป็นโลกิยะและโลกุตระประสะท้อนกลับมาสู่ความหมายของคํำบรโลุคือศาสตร์ใดที่ยังเป็นโลกิยะอยู่ศาสตร์นั้นก็คงจะต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยอยู่ร่ําไป ความสุขความทุกข์ในชีวิตของคนก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยอาจจะสุขมากทุกมากสุขน้อยทุกน้อยก็เกี่ยวข้องเหตุปัจจัยดังนั้นในแง่ของความเป็นโลกแล้ว่งมีความเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วแตกสลายไปแล้ตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาัน น, นั้นคือสูตร ร, มรวมๆที่สงใช้คำว่าสามั ญ, ญลักษณะ ลักษณะที่เสมอกันในสัตว์แในสันสงขารทั้งหลายซึ่งอาจจะหมายความว่าในโลกทั้งหลายก็ได้แต่นั้นเมื่อโลกมีลักษณะเป็นอย่างนี้พ้นโลกไปก็หมายความว่าพ้นจากสภาวะเป็นอย่างนี้โลกเป็นของไม่เที่ยงเมื่อพ้นโลกไปก็กือเที่ยงโลกเป็นทุกข์พ้นโลกไปก็เป็นสุขโลกเป็นอนัตตา ในความหมายว่าบังคับบัญชาไม่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่แท้จริงแต่ก็จะเป็นอนตัตตาพ้นโลกไปก็จะเป็นอนัตตาในความหมายว่าว่างคือว่างจากตัวตนว่างจากเราจากเขาว่างจากตัณหามาณทิฐินี่ตันแสดงว่านิพานังประมังสุนญ์ยังนิพานเป็นความว่างอย่างยิ่งเพราะนโลกุตระจึงอยู่ ในฐานะตรงกันข้ามกับโลกได้แก่สภาวะที่เชี่ยงเป็นสุขและเป็นอนัตตาในความหมายบว่าเจาการศึกษาในเรื่องของโลกนั้นไม่ใช่ทรงสอนในจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นการยักย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นฐานของผู้ฟังวันก่อนโน้นได้พูดถึงเรื่องโลกสี่คือพวกอาหารสี่ ได้แก่อาหารที่บุคคลพึงกินพึงลิ้มพึงชิมเข้าไปจะเรียกว่ากาวลิงกาะหารวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณได้แก่ประสาทสัมผัสของบุคคลรับรู้สิ่งต่างๆที่ผ่านมาทางตางหูจมกูกลิ้นกายใจเราเรียกว่าความรู้ทางประสาทสัมผัสนั้ น, น, น จากปูพยั ญ, ญญาณความรู้ต่างตาโสตพวิญญาณความรู้ทางหูเป็นต้นจนถึงมโนวิ ญ, ญญาณความรู้ทางใจพวกเหล่านี้ที่ท่านแสดงเป็นโลกก็เพราะว่าเสื่อมสลายไปที่แสดงในฐานะของอาหารก็คือนำผลมาให้แต่จะนําผลดีหรือไม่ดีมันขึ้นอยู่กับลักษณะของอาหารแต่ที่แน่นอนที่สุดคือต้องนาผลมา แล้่วกการนำผลของอาหารนั้นถึงสังเกตว่ามันก็มีสองช่วงช่วงหนึ่งขึ้นอยู่กับลักษณะประเภทของอาหารคือหมายความันมีโทษโดยสภาพมันแล้วถ้าเราไปรับประทานข้าวมันก็เป็นโทษหรือว่ามีคุณอยู่ในตัวของมันแล้วเมื่อรับประทานข้าวมันก็เป็นคุณแต่ทีนี้พวกวิญญาณอาหารนั้น ก็แสดงได้ชัดว่ามีอยู่สองสถานะคือหมายความว่าดีไม่ดีอยู่ในตัวของมันแล้วแต่อยู่ประการหนึ่งขึ้นอยู่กับปัญญาของบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวขอ้องจะสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งสองฝ่ายคือดีก็ใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีก็ใช้ประโยชน์ได้พร <c oughs> าวนี้เราสังเกตว่าปัญญาระดับวิปัสสนาก็เรียกว่าปัญญาที่เห็นแจ่มแจ้งนั้น จริงก็หาประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเองที่คนทั้งหลายสยบติดเดือดร้อนวุ่นวายกันอยู่แต่ท่านที่มองเห็นความจริงอย่างถ่องแท้ก็หาประโยชน์จากสิ่งนั้นได้พวกภาษาหาหารคือผัษาแต่แก่การกระทบกัน ร, ระหว่างอริยธรรภายในภายนอกวิญญาณก็นำผลมาเหมือนกันนำเป็นสุข ก, ก็ได้เป็นทุกข์ก็ได้กลางๆก็ได้ ขึ้นอยู่กับสิ่งนั้นประการหนึ่งขึ้นอยู่กับ ก, บการกาหนดหมายของใจเวลาประสบกับสัมผัสเหล่านั้นประการหนึ่งทีนี้พวกมโนสังเจตตนอาหานคือความจงใจความเหนียวนึกพวกนี้ที่จริงเราคุมได้เราคุมได้เพราะว่าเป็นเรื่องภายในใจเราเองเป็นเจตจำนงในการจะจดนึกถึงเรื่องราวต่างๆ คือถ้าเรื่องบางเรื่องเห็นว่าคิดไปแล้วไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ไม่คิดเรื่องอะไรที่คิดไปแล้วได้ประโยชน์ก็คิดแต่ก็จริงกลับกลุ่มได้ยากท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าพื้นใจของบุคคลที่มีการเก็บการสะสมภพ ก, กิเลสไปมากด้านประการหนึ่งและประสบการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตประจำวัน คือพวกอาหารต่างๆดังกล่าวแล้วนั้นมีความสับสนอยู่ในตัวของมันเองพอเมื่อเก็บไว้ภายในใจสับสนเวลาคิดมันก็เกิดความสับสนตามแรงดันของอารมณ์ที่เราเก็บไว้มึ้สังเกตว่าบางครั้งบางวันถ้ารับอารมณ์ที่ไม่ดีไปมากแม้จะตั้งทำใจสงบยังไงมันก็เอาไม่อยู่ เพราะว่าอารมณ์ตอนนั้นมีกำลังมากเกิดๆตํานองแกล้ๆกับว่าพืชมันเปื่อนมากเหล็กเป็นสนิมมากผ้าสกรปรกมากคือไปจําละขัดสีในระยะเวลาสั้นๆเนี่ยให้สะอาดไม่ได้แต่ว่าบางเวลาที่เราไปรับเรื่องดีๆไปมากในวันนั้น ด้ยกตัวอย่างว่าเราเริ่มต้นมาจากการไหว้พระสวดมนต์สมาทานศีลฟังธรรมนั่งกรรมฐานคือมันเดินมาได้ตลอดที่จริงจิตมันปรับมาโดยลำดับเมื่อปรับมาได้โดยลำดับแม้ต้องการให้มีความสงบเพิ่มขึ้นความประนีตเพิ่มขึ้นมันก็เดินไปได้รูปแบบวิธีการเหล่านี้จึงเป็นวิธีการประการหนึ่งที่ท่านต้องการจะให้จิตมันค่อยๆปรับตัวเอง คือสร้างความคุ้นเคยกับธรรมะมาโดยลำดับอยู่ที่บ้านมีเกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆอยู่มากแต่จิตก็เริ่มเปลี่ยนความคิดที่จะมาฟังธรรมจำศีลแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวจจาทางใจมนโดยลำดับ ก, ก็เพิ่มความประดิษฐ์ขึ้นไปแต่อย่างนั้นจะเห็นได้วะเมื่อก็นำผลมาได้กันดิเรกการมองแบบโลกนั้น มองในแง่ว่าทุกอย่างนั้นแกตกอยู่ในสภาพของไตรลักษณ์อย่างที่เคยกล่าวแล้วแต่ไม่ได้มองเฉพาะจุดนี้จุดเดียวบางครั้งพระพุทธเจ้าทรงสอนโดยเอาพวกอาหารสี่คือมองในแง่ของอาหารโดยตรวจสอบดูอาหารเหล่านั้นว่าอาหารนั้นจะนําผลคืออะไรมา ก็พราะว่าจะนําผลคือเวทนาอาหารจึงเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาก็ออกมาโดยสรุปสุขบ้างทุกบ้างกลางกลางบ้า ง, า ง, า ง, างนี่ถือเป็นเวทนาโดยสรุปพอเวลาจําแนกแสดงนั้นท่านจําแนกออกไปถึงร้อยแปดร้อยแปดมันก็เป็นสามกลุ่มคือเป็นสุขกลุ่มหนึ่งเป็นทุกข์กลุ่มหนึ่งเป็นเฉยๆกลุ่มหนึ่ง เมืม่อเรามองในจุดใหญ่หรือประเด็นใหญ่ก็จะพบเวทนาทั้งสาประการ น, นั้นทีนี้จากจุดนี้กับอาหารเนี่ยก็สอนไว้อีกนัยยะหนึ่งเพื่อให้บุคคลวิเคราะว่าเวทนานั้นมันมาจากอาหารคืออาหารเป็นปัจจัยเกิดเวทนาหรือเวทนามาจากอาหารก็ตามแล้วถามใจตัวเองว่าเราต้องการเวทนาประเภทไหน ทุกคนก็ตอบได้ว่าต้องการเวทนาประเภทที่เป็นสุขเป็นโสมนัสเพราะนั้นคือคุณของเวทนาเวทนาเองแกก็มีทั้งคุณทั้งโทษถ้าผลมันออกมาเป็นทุกข์เป็นโทมนัตคือไม่สบายกายไม่สบายใจก็ถือว่าเป็นโทษของเวทนาแต่ถ้าหาก็่เป็นสุขคือความสบายกายเป็นโสมนัสคือความสบายใจล้วก็เป็นคุณของเวทนา ทีนี้เมื่อบุคคลต้องการเวทนาประเภทคุณคือเป็นสุขเป็นโสมนัสก็ต้องมองกลับไปว่าเมื่อเวทนามันเป็นเหตุตเวทนาเป็นผลเฉพาะในช่วงนี้ไอ้เหตุที่ให้เกิดสุขเกิดทุกข์จึงไม่ได้อยู่ที่ตัวเวทนาแต่มันอยู่ที่อาหารเพราะงั้นอาหารมันก็ แบ่งออกเป็นสองลักษณะดังกล่าวคือเป็นคุณก็เป็นโทษถ้าเป็นโทษแกก็นําทุกข์นาโทมนัดมาถ้าเป็นคุณก็นําสุขนําโสมนัดมาดังนั้นก็ให้วินิจฉัยในเรื่องอาหารหรือกลับไปมองที่อาหารอีกทีหนึ่งแต่ที่จะมาแก้ที่ปลายเหตุคือมาแก้ที่ผลก็ไปแก้ที่เหตุทีนี้เราจะพบว่าการที่บุคคลต้องเกี่ยวข้องกับอาหารนั้น อาหารกับคนอาหารกับคนนั้นแยกกันไม่ได้คืออาหารกับสิ่งมีชีวิตนั้นแยกกันไม่ได้ที่พระเจ้าทรงใช้คําว่าสาัตว์ตั้งหลายจะอยู่ได้ก็เพราะอาหารเมื่ออาหารแยกจากเราไม่ได้เราแยกจา ก, กอาหารไม่ได้ขาดอาหารเราก็อยู่ไม่ได้ทีนี้ทํำยังไงจึงจะให้เกิดเป็นได้อาหารประเภทที่ดีซึ่งจะอํานวยผลเป็นสุขเป็นโ ส, นสมนัตได้ ท่านก็ให้จากในกรณีของพวกกาวลิงกระหารอาหารคือคำเข้าที่เรารประทานเข้าไปมันก็จะสอนเจาะลึกไปด้วยแม้แต่ชั้นของการดำรงชีวิตซึ่งานสาธารชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าในโอวาโอวาสของท่านธนทรชัยเศรษฐีที่สอนนางวิสาขาบอกว่าให้บริโภคให้เป็นสุขคาว่าบริโภคเป็นสุขในจุดนั้น หมายถึงการที่เราได้ปฏิบัติภารกิจต่างๆคนควรจะรับประทานรับประทานเสร็จแล้วไม่ต้องเป็นห่วงใจแล้วก็ปลงใจวางใจรับประทานอาหารได้นี้ชื่อว่ารับประทานเป็นสุขแต่ว่าไม่ได้ใช้เฉพาะในยน่านี้ท่านมองไปถึงในย่าของการสแสวงหาคือช่วงของการสแสวงหาการจะบริโภคสิ่งของได้เป็นสุขนั้น สิ่งที่ได้มาจะต้องเกิดขึ้นโดยทรรมได้มาโดยทำรรไม่จะเป็นของที่ได้มาในทางทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมพระท้าได้มาในทางทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมการบริโภคจะให้ความสุขไม่ได้เพราะในขณะที่บริโภคนั้นจะมีความหวาดวิตกข้างบนอยู่ก็คล้ายๆกับคนที่ ไปข่าสัตว์โดยมันได้รับอาญาบัตรกระดับอมบริโภคแล้วก็กลัวลๆเสียวๆจิตใจเขาไม่สงบกลัวตำรวจจะจับได้กลัวคนอื่นจะพบเห็นเป็นต้นนี่ก็เป็นภาพจับจบแล้วท่านสอนขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อจะให้บุคคลหลีกเว้นอาหารในส่วนที่นำทุกข์มาให้ก็สอนระดับสิ่งที่ควรเว้นในเกี่ยวอาหารต่างๆเอาไว้ เช่นพวกที่เป็นพิษเป็นภัยโดยตรงหรือพวกสิ่งเสพติดโดยตรงบางทีก็ออกมาในรูปของอาหารที่มันอาจจะเป็นโทษเช่นทงห้ามเนื้อสิบประเภทเอาไว้นั้วก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ประณีตขึ้นไปไม่ให้บุคคลไปรับประทานเนื้อนั้นทีนี้เมื่อในกรณีจะรับประทานเพื่อ ไม่ให้เป็นการเพิ่มกิเดชขึ้นด้วยในชีวิตของบุคคลสืบต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาด้วยก็เรียกว่าเป็นวิธีที่แก้ปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาไม่ใช่ไปตัดอาหารไม่รับประทานอาหารไปเลยนี่ก็ไปไม่ได้แต่ถ้ารับประทานโดยไม่เลือกมันก็มีปัญหาเหมือนกันหรือแม้แต่เลือกแล้วถ้าจะมีลักษณะสยบติด มีความกำหนัดเพลิเพลินยินดีอยู่ในเรื่องของอาหารต้องการตอบสนองความอยากที่บังเกิดขึ้นอยู่เรื่อยไปก็มันก็เดือดร้อนเดือดร้อนเพราะอาหารเป็นเหตุดังนั้นจึงทรงสอนในรูปของการพิจารณาอาหารทั้งสามช่วงคือในขณะที่ได้รับอาหารมาให้มองในลักษณะที่ไม่เพิ่มความอยาก ไม่เพิ่มความดิ้นรนทางใจมากเกินไปโดยมองเห็นว่าอาหารนั้นที่จริงมาเป็นของปฏิกูลแล้วก็สอนลึกซึ้งลงไปจนถึงให้มองในแง่ที่เรียกว่าเป็นนิสสัตว์โตนิชชิวะสุนโฉข้อนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าทรงสอนว่าไม่ใช่นิสสัตวโตวคือไม่ใช่สัตว์คืออย่าไปคิดว่าไปกินปลากินเนื้ออย่าไปกินสัตว์ แต่นั้นก็คือพวกอาหารที่ไม่มีชีวะคือไม่มีชีวิตแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับการฆ่าการอะไรความตายของสัตว์เหล่านั้นก็เป็นเรื่องอีกกระบวนการหนึ่งอีกช่วงจังหวะหนึ่งแล้วก็สุญโยคือว่างเปล่าไม่มีความเป็นสัตว์ไม่มีความเป็นคนแต่ว่าการบริโภคอาหารนั้นก็เพื่อ กรจัดความหิวเก่าป้องกันความหิวใหม่ร่างกายมีกําลังเจริญเติบโตสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้นั้นในขณะที่กําลังรับประทานอาหารก็พิจารณาอย่างนั้นพอหลังรับประทานไปแล้วเราจะเห็นว่าถ้าได้สุขเวทนาเนี่ยตัณหามันเกิดโดยความอยากในอาหารเหล่านั้นมันเกิดให้ลองสังเกตว่าเวลารับประทานอาหารอะไรเขาก็ตาม ถ้ารู้สึกอร่อยก็ได้สุขเวทนาในตอนนั้นเวลาหารย่อยไปแล้วรู้สึกสบายตัวไอ้ความอยากมันเกิดเพรา ะ, ะติดอยู่ในสุขเวทนาเนี่ยแต่การมาตานหามันก็เกิดคือต้องการจะได้สุกเวทนามากยิ่งขึ้นแล้วทีเนี้ยอาจจะยุ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุปัจจัยต่างๆ บาที่เราอยากจะรับประทานในราคาของมันแพงหรืออยู่ไกลถ้าจะรับประทานก็ต้องสิ้นเปลืองเงินทองไปมากกาสร้างปัญหากระทบประเทือนออกมาถึงข้างหลังดังนั้นจึงทรงสอนให้พิจารณาซ้ําคิดอยู่เสมอคือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับอาหารนั้นไม่ได้เสียหายไปกระตัดความหิวเก่าได้บรรเทาความหิวใหม่ได้ทําให้ร่างกายมีเรี่ยวแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานตามหน้าที่ของตนได้เรียบร้อยแต่ ใจคนไม่ถูกดิ้นรนด้วยอำนาจของตันหาเพราะไปประสบกับสุขเวทนาในจุ ด, จดเพียงจุดเดียวในเรื่องของอาหารเนี่ยทรงสอนจาแนกแสดงในรูปกระจายออกไปเป็นอาาันมากทีนี้ในบางเวลานั้นทรงสอนให้มองในรูปของของความเป็นของปฏิกูลุอือเป็นอารมณ์ของกรรมฐานตัวสมถะกรรมฐานในประการหนึ่งในสี่สิบกรรม ในสี่สบข้อนั่นเองเรียกว่าหาเรปฏิกูลสัญญาคือปยามองหเห็นความปฏิกูลของอาหารอันนี้คือเป็นจุดเริ่มต้นคือไม่ถึงกับเริ่มต้นทีเดียวเพรเริ่มต้นมานานแล้วคือเริ่มต้นในจุดนี้เพื่อต้องการถ่ายถอนคือแก้ปัญหาในในเรื่องการรับประทานอาหารของคนนั่นประการหนึ่ง เพราะเราในช่วงการรับประทานอาหารทรงสอนเรื่องโพชเนมตันยูตาให้รู้จักประมาณในการบริโภคพัตาหาหารพอสอนในช่วงนี้บางทีมันก็แก้ปัญหาไม่ได้เพราะต้องช่วยกันหลายแรงคือมาให้สอให้มองในแง่ของความปฏิกูลของอาหารด้วยเพื่อไม่ให้รู้อํำนาจเก่ับความอยากมากเกินไปหรือกินเพื่อเล่นเพื่อเด็ดรอยเพื่อสแสดงสถานะของตัวเองมากเกินไป ว่าตถุประสงค์ของอานนั้นไม่ทำลายแต่ว่าต้องการจะแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของกินเหลดแต่จะกลับไปสร้างปัญหาในเศรษฐกิจในครอบครัวให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลเรานั้นทีนี้เมื่อเรามองเห็นอาหารเป็นของปฏิกูลร่างกายเรานั้นดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารเพราะร่างกายจึงที่เป็นที่ประชุมของของปฏิกูลต่ของปฏิกูลมันก็ใส่ก็เห็นกัน ก็ดูแล้คล้ายๆกับถังขยะเนี่ยคือเราของสกรปรกใส่เข้าไปเศษสิ่งต่างๆใส่เข้าไปใส่เข้าไปใครบอกหรือไม่บอกเราก็รู้ว่าเป็นถังใส่ของสกรปรกทีนี้มาเห็นเป็นถังใส่ของสกรปรกไปความอยากได้ความเพลิดเพลินยินดีพอใจในสิ่งนั้นก็ไม่มีมาแก้ปัญหาที่ความหลงรักหลงเพลิดเพลินในกายตนแลกายบุคคลอื่นก็มาแก้ตรงนี้อีก เราจะเห็นว่าเมื่อเรามองเห็นได้อย่างนี้ความกำหนัดเพื่อความเคลื่อนเลืนหลงไหลในกายตนกายคนอื่นก็จะผ่อนคลายลงไปเพราะกายเราก็เป็นที่ประชุมของอาหารนานาชนิดที่บางครั้งท่านสอนให้เห็นว่ามันเป็นป่าช้าขนาดใหญ่ที่เก็บสะสมซากสัตว์นานาชนิดอยู่ในท้องชีวิตเลือดเนื้อของเราก็ประกอบด้วยสิ่งเหล่านั้น มาปรุงแต่งม า, มาปรุงแต่งมาหล่อเลี้ยงให้ดำรงคงอยู่ก็จะบรรเทาพวกความกำหนัดคือกิเลสประเภทราคะโทสะในกายตนกายคนอื่นลงไปแต่ทีนี้พอมองจากจุดนี้ตอนจะสาวให้ลึกจะสาวให้ไปเกิดในรูปของเมตตาขึ้นมาก็ได้เช่นชีวิตเราได้รับการหล่อเลี้ยงจากชีวิตของเพื่อนร่วมโลก จากเลือดเนื้อของเพื่อนร่วมโลกก็มองเห็นสิ่งเหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นกลุ่มสัตว์เหล่านั้นเป็นผู้มีอุปกรณต่อต้นจิตก็กลายเป็นเมตตามุ่งดีหวังดีต่อสัตว์ทั้งหลายก็สามารถจะช่วยในการเจริญพวกเมตตาประมิหารได้อีก้ายหนึ่งที่จะหมุนวนอยู่ในลักษณะอย่างนี้นี้ก็เป็นเพียงตัวอย่างยกมาดูว่า จากจุดเดียวแต่นั้นเองแต่เราจะหาประโยชน์ได้รอบตัวก็เพียงแต่ใช้สติสัมปชัญญะใช้ความเพียรพยายามให้เหมาะสมแก่สิ่งนั้นๆเท่านั้นทฤษฎีประกาวโดยสรุปในหลักการปฏิบัติแล้วจะเป็นเรื่องของการเพ่งพินิษการทำจิตให้สงบหรือการใช้ปัญญาพิจารณาก็ตามแต่ว่าผลของการกระทา เช็นนี้เป็นไปเพื่อความสงบของกิเลสเป็นการเพิ่มขึ้นของปัญญาหรือของความบริสุทธิ์ภายในใจก็ชื่อว่าเป็นการกระทำที่ถูกต้องแล้วก็เดินตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในกรณีมองของกระบวนการเกิดแต่จะเห็นว่าพระเจ้าดึงตรงนี้เองดึงอาหารตรงนี้ เข้าไปจอหัวที่โครงสร้างของปฏิจจสมุปบาทท่านสาธารณชนทั้งหลายคงนึกออกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นกลุ่มธรรมที่ทยอยกันเป็นขึ้นที่ท่าเรียกว่าเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่จริงพวกนี้ก็เหวี่ยงไปเหวี่ยงมาอะไรเป็นปัจจัยของอะไรก็ได้แล้วกระโดดข้ามไปกระโดดข้ามมาก็ได้ พระเจ้าทรงแสดงโลกสี่คืออาหารสี่เข้าไปอยู่ในช่วงของอายตนะอายตนะนั้นเป็นปัจจัยให้เกิดผัสสะนั่นหมายความพวกอาหารเนี่ยมันก็เกิดเป็นการกระทบขึ้นมาจชนเรารับประทานอาหารมันก็เป็นผัสสะคือมีการกระทบทางลิ้นแต่ก็ไม่ใช่กระทบทางลิ้นอย่างเดียวมันกระทบทางตาบ้างถ้ารู้ทางตาเราก็ทางตา รู้ทางจมูกก็กระทบทางจมูกรู้ทางลิ้นก็กระทบทางลิ้นรู้ทางกายกระทบทางกายก็สรุปว่ามันก็เข้ามาได้ตรงทุกทางทีนี้ผัดสานี่เองแล้วก็เป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเพราะงั้นออในช่วงนี้ไม่พูดถึงผัด ส, สัเพราะผัด ส, สัเป็นอาหารอยู่แล้วก็ทรงแสดงว่าอาหารนั้นนำมาซึ่งเวทนาในช่วงหนึ่งก็สอนในรูปของเวทนา ซึงจะกล่าวในโอกาสอื่นแต่เวลามองกระบวนการก็ทรงดึงกลับไปเห็นว่าเวทนาก็เป็นปัจจัยเกิดตัญหาก็ไปเจอตัวกิเลสอีกกองหนึ่งจริงๆเมื่ก็เริ่มมาจากธรรมดาธรรมดาอาหารก็ไม่มีปัญหาอะไรเป็นพวกอภิญากาตะธรรมเฉยๆเวทนาเองตัวเฉพาะตัวแกแกก็เป็นอภิญากาตะธรรมคือไม่ดีไม่ชั่วอะไรแต่เสร็จแล้ว ไปไปมามันมาเจอกระตันหายีกแล้วแล้วจากตันหาก็เดินเข้าไปสู่อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานมันก็เป็นพภพมันก็เป็นชาติชาติมันเข้าสู่ชราบระมันก็เดินไปกระบวนตรงนี้ทีนี้เมื่อบุคคลต้องการที่จะลดกระแสของตันหาอาจจะลดมาตั้งแต่ต้นคือตั้งแต่ช่วงของอาหารที่กล่าวแล้ว คือหมายความว่าในช่วงในประเภทอาหารที่รับประทานเข้าไปทางปากก็พิจารณาโดยเนยยะดังกล่าวเรียกรับประทานอาหารให้สําเมร็จประโยชน์ไปใช้ได้ในกรณีของวิญญาณอาหารอาหารคือวิญญาณเพื่อต้องการไม่ให้เกิดทุกข์แล้วก็ไม่ให้เกิดตัณหารประเภทวิาพราะวัตตัณหาก็สอนให้สารวมระวังซะบ้างไม่ใส่ใจซะบ้างหรือหยุดความคิดในช่วงนั้นซะบ้าง แล้วแต่จะทําได้ในกรณีของผัสสะก็ทํานองเดียวกันผัสาะนั้นที่จริงมันเป็นผลกระทบคือตายรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิน่นตายรูปเป็นต้นแล้วก็เกิดปัญญาเมื่อเกิดปัญญาแกก็ต้องเป็นผัสสะเป็นธรรมนาทีนี้ถ้าเราไม่ใส่ใจในผัสสะคือการกระทบบางอย่างมันก็ตกไปจากใจเวทนาที่เป็นทุกข์ก็ไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าผัสาะดีๆมันก็ปล่อยให้เกิดก็เป็นสุขเวทนามันก็ไม่เป็นไร นี่ประเด็นใหญ่ที่น่าศึกษาก็คือการคุมความคิดคุมอารมณ์ที่จะเนียวนึกถึงเรื่องราวต่างๆที่จริงเรื่องเหล่านี้เราสามารถดึงคุณสมบัติที่เราใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เหมือนกับวัตถุสิ่งของที่เราไปจับไปต้องเช่ว่าจับไฟพอรั่วร้อนมาก็ขดมือกลับ เหยียบเท้าลงไปเหยียบเห็นว่าเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นครูข้างถนนแล้วก็ขดเท้ากลับเอาอาหารตักเข้าไปแตะจิมลิ้นดูเห็นว่าไม่ดีเราขายทิ้งหรือว่าทิ้งไปเลยนี่จะเห็นหว่าไว้ที่จริงเราก็ทําได้ทักษณะอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการเหนียวนึกมันก็เป็นเช่นเดียวกันพอใจเป็นเหนียวนึกเห็นท่าไม่ดีจะเล่าร้อ น, นก็หยุดคิดได้ ก็ทํานองว่า เ, าเหมือนกนระต๊เนี่ยคือต้องหยุดตัวเองได้คนเราก็ต้องหยุดตัวเองได้พอ ม, มาถึงใจมันก็ต้องหยุดใจได้แต่ถ้าไม่มีปัญหาเราก็เดี๋ยวนึกจึกนึ ก, นกหรือจงใจคิดถึงเรื่องเหล่านั้นตัว ก, การสําคัญจึงมาอยู่ที่ตรงนี้ถ้าต้องการจะคุมในสายให้เกิดสุขเวทนาเราก็ต้องสร้างเหตุเพื่อเกิดสุขเวทนาเวลาตัณหาแก่เกิด มันจะเกิดคือเจ้าจะดับแกก็คงไม่ได้แต่ก็ลดความรุนแรงลงไปควบคุมทิศทางต้องตันหาเอาไว้ให้อยู่ในทิศทางที่ไม่ถึงกับเป็นอันตรายมากเกินไปใจเราก็ได้ความสุขความสงบเพิ่มขึ้นสมมติอาจจะต้องมีพบเป็นธรรมดาแต่พบนั้นมันจะมีความประณีตตามสายของเขาทุกขั้นตอนของการปฏิบัตินั้นที่จริงพระพุทธเจ้าทรงกระจายออกไปจากจุดเล็กๆ แต่จะมองจะมุมไหนก็ตามประเด็นใหญ่ให้อยู่ที่การลดกิเลสการเพิ่มธรรมะและถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทมด้วยกันทั้งนั้นดังนั้นโลกสี่คืออหารสี่ที่เป็นปัจจัยไปให้เกิดเวทนาตัณหาอุปาทานเป็นต้นตามลำดับนั้นผู้มีปัญญาสามารถจะหาประโยชน์ได้ทุกแง่ทุกมุมของความเป็นโลกคืออหารสีนั้น ต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทาความสงบส่อต่อไป